ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคำภีชินาลังการะดีกาแปลพระพุทธรัชกิตาจาร์ชาวสีลังการัชนาต่อไปจะเป็นการพนานาการบูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธรัชกิตาจารย์ครั้นพนานาคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้แล้ว บัดนี้เมื่อจะแสดงวิธีการบูชาที่จะพึงกระทําแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นจึงกล่าวว่าเพราะเหตุนั้นแลข้าพระเจ้าขอบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ที่บุคคลซึ่งผู้อื่นบูชาแล้วในต่างก่อนด้วยสิ่งของทั้งหลายที่รื่นรมใจอันมีอยู่ในจั ก, กรวาลอันเป็นมงคลซึ่งเป็นห้องที่ประทูดของพระองค์ ในคาถานั้นคําว่าตัดสมาเพราะเหตุนั้นมีอธิบายว่าเพราะเหตุที่เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นสเสด็จอุบัติขึ้นห้องแห่งจั ก, กรวาลทั้งสิ้นได้เป็นห้องประตูเทวดาและพรหมทั้งหลายผู้อยู่ในหมื่นจั ก, กรวาลทั้งสิ้นมาประชุมกันกระทํามงคลทั้งหลายที่ห้องแห่งจั ก, กรวาล น, นี้ฉะนั้นห้องแห่งจั ก, กรวาลทั้งสิ้นนี้ จึงเป็นจั ก, กรวาลที่เป็นมงคลอันเป็นห้องประสูตรสัตว์หรือสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามที่มีอยู่ในจั ก, กรวาล น, นั้นทั้งหมดจึงเป็นของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเหตุนั้นเมื่อบุคคลผู้บูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นย่อมไม่มีโทษย่อมมีบุญเป็นอันมากเหมือนการบูชาด้วยดอกไม้ที่เกิดแล้วในพระศาสนาฉะนั้น ข้าพเจ้าขอบูชาพราะผู้มีพระภาคเจ้าพราะองค์นั้นผู้ที่บุคคลซึ่งผู้อื่นบูชาแล้วในปางก่อนด้วยสิ่งของทั้งหลายที่รื่นรมใจที่เกิดมีในจักรวาล น, นี้ในเรื่องนั้นมีอธิบายว่าพราะผู้มีพระภาคเจ้าทีปางก่อนทรงบูชาพระพุทธเจ้าองค์ก่อนแล้วเกิดเป็นพระพุทธเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าโกนธัญะเป็นต้นก็เช่นกันทรงกระทำบูชาสการะพระพุทธเจ้าองค์ก่อนแล้วได้เกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้พระองค์นี้ก็เช่นกันทรงกระทำการบูชาพระพุทธเจ้าในปางก่อนแล้วเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นชื่อว่าผู้ที่บุคคลซึ่งผู้อื่นบูชาแล้ว แม้ข้าพเจ้าก็ขอบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นแล้วจักเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตพระพุทธรคิตาอาจารย์ครั้นกล่าววิธีบูชาโดยสังเขตอย่างนี้เมื่อจะแสดงวิธีบูชานั้นโดยพิสดารจึงกล่าวว่าก็ในวันนี้ข้าพเจ้านั้นขอเอาบรรดาดอกไม้ที่เกิดบนบกที่เกิดในน้ำทั้งที่มีกลิ่นหอมและไม่มีกลิ่นหอม ที่ผลิบานแล้วในจักรวาลนั้นบรรดาดอกไม้ที่ผลิบานดีแล้วในหมู่มนุษย์ในสัตในอุทยานในบึงทั้งหลายมิใช่น้อยในป่าใหญ่ในตะใหญ่ทั้งเจ็ดในป่าหิมะผ่านนั้นในทวีตน้อยสองพันในทวีตใหญ่ที่เขาปริพันธ์เจ็ดลูกและที่เขาสุเมรุสูงสุดดอกโกมุตและดอกอุบลเป็นต้นในพบของนาคทั้งหลายและดอกแครอยเป็นต้น ในที่อยู่ของอสูรทั้งหลายดอกไม้ทิพย์เช่นดอกปาริชาตในหมู่เทวดาบรรดาดอกไม้ที่เกิดบนแผ่นดินที่ผลิบานแล้วในที่หลายแห่งมีอย่างนี้เป็นต้นคือดอกจำปาดอกเข็มดอกกระทุ่มดอกกากระทิงดอกบุญนาคดอกเกศดอกมะลิลาดอกมะลิสอนดอกสาระดอกทองหลางใบมนและดอกแพรฝอยดอกราชพึก ดอกอโศกดอกกันนิกาดอกพิกุลดอกบัวหลวงดอกบัวขาวดอกบัวขาบดอกบัวแดงกลิ่นหอมดีต้นไม้เหล่านี้และอื่นๆแม้ทั้งเคลือวันที่มีดอกบานแล้วมีกลิ่นหอมมีสัมผัสสบายหลากสีงดงามดอกไม้นานาพันธุ์มีสีเขียวแก่งดงามสีเหลืองสีแดงสีดำสีขาวสีแสดบานสับค้าง ภูเขายิมพะานบอ่อเกิดแห่งรัตนะย่อมงดงามด้วยสายน้ำที่ไหลมาจากภูเขาทั้งหลายตามแนวป่าไม้แก่นทั้งหลายป่านั้นโปรยปลายด้วยใบยเกสรและละอองดอกไม้ทั้งหลายมูแมลงผู้บินว่อนร่อนร้องเบิกบานตอมเป็นของดอกไม้ทั้งหลายอันหนึ่งในที่นั้นมีฝูงนกสวยงามส่งเสียงร้องอย่างไพเราะ ขันคูที่ต้นไม้ซึ่งมีดอกบานสะพั่งตามฤดูกาลภูเขาทั้งหลายเสียงดังครื้นขั้นเพราะน้ําตกที่ไหลตกลงตามทางฟังแล้วเหมือนเสียงดนตรีทิพย์ที่ประกอบด้วยองค์ห้าที่ภูเขานั้นหมู่กินนอนประดับร่างกายเรียบร้อยพากันฟ้อนรําขับร้องประสานเสียงบรรเลงเพลงเหมือนเหล่านางอัตตรในหมู่เทวดาเชนั้น ในป่าหิมะผ่านนั้นมีภูเขาทองหลายลูกส่องแสงชดช่วงเหมือนมีเปลวไฟเหมือนมีเปลวไฟก็ยามราตรีในป่านั้นหรือไม่จาต้องตามประทีปทางที่น้ำตกตกลงมามองเห็นเหมือนแสงประกายแก้วมุกดาแก้วมณีและแก้วไผ่ทูนเป็นต้นสองแสงแผลวมีต้นกะลัมผักต้นกริชนาต้นกา ร, ระบูนต้นจันแดง เพราะฝูงนกส่งเสียงร้องฝูงนกยูงจึงส่งเสียงร้องรับเมรงผู้บินว่อนส่งเสียงร้องโคลงช้างส่งเสียงโกลจนาดหมูสัตว์ร้ายพากันหาวและฝูงกินนอนพากันขับเพลงเมือ่อภูเขาทั้งหลายส่องแสงสว่างแก้วมณีส่องแสงโชดช่วงเหนือยอดบุกผาชาิหมู่ไม้มีเมฆอันงดงามลอยเป็นเพดาน ป่าที่สมบูรณ์ด้วยส่วนประกอบทุกอย่างอย่างนี้จะพึงเป็นป่านันทวันหรือป่าที่บานสะทั่งอย่างนี้มีดอกไม้ผลิบานงดงามเป็นพวงหมดจดกลิ่นหอมชื่นใจข้าพเจ้าขอเอามาบูชาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ที่บุคคลตึ่งผู้อื่นบูชาบูชาแล้วในปางกรทรัพย์ใดที่มีอยู่ในโลกหน้าในโลกมนุษย์ในเทวโลกในพรหมโลก ที่มีอยู่ในทะเลที่ฝังอยู่ในแผ่นดินและที่แขวนอยู่ในอากาศคือเงินทองแก้วมุกดาแก้วไพลทูลแก้วมณีบุตรราคมแก้วผลึกทัพทิมและแก้วประพานข้าพเจ้าขอเอาทรัพย์นั้นบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้บำเพ็ญบา ร, รมีติดประการในอนันตกรปั้ผู้โปรตั์ทั้งหลายให้ตรัสรู้ ผ้าเปลือกไม้ผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าปานผ้าแพรผ้าผลสัตว์ผ้าทุกุละผ้าทิพนานาชนิดข้าพเจ้าขอเอาผ้าทั้งหลายบูชาพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีความสำรวมด้วยหิริโอตัปปะเป็นต้นสำเร็จแล้วด้วยการถวายผ้าอันไม่มีที่สุดผลไม้ของต้นไม้นานาชนิดที่เกิดในป่าทั่วไปมีรสเลิศคือมะม่วงมะเขิดถนุน กล้วยมีเมล็ดกล้วยไม่มีเมล็ด จ, จำนวนไม่น้อยข้าพเจ้าขอเอากลิ่นรสหอมหวานของผลไม้ในป่านั้นบูชาพระพุทธเจา้าผู้ประเสริฐสุดแล้วน้อมศีรษะกราบไหว้เป็นนิส ด, ด้วยจิตใจที่ผ่องใสข้าพเจ้าขอบูชาพระปรณิธานครั้งแรกของพระพุทธเจา้าพระองค์นั้นที่ใครๆไม่พึงคิดด้วยสิ่งของทั้งปวงที่มีอยู่ในจักรวาล อันหนึ่งข้าพเจ้าขอบูชาสถานที่บำเพ็ญพระบารมีติบประกานอันสูงสุดต่อจากนั้นขอบูชาสถานที่ประสูตรในป่าสายดวันอันหน้ารื่นรมแห่งสุดท้ายข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้ทรงกระทำสิ่งที่กระทำได้ยากที่ทรงกระทำแล้วด้วยความเพียรตลอดหกพรรษาขอนอบน้อมอป ร, ราชิตะบัลลังและพระพุทธคุณทั้งหลายเช่นเดียวกัน ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธญาณสิบสี่อเวดิกธรรมสิบแปดโพสพลญาณและจตุเวสารชยานอันสูงสุดอาสญานุสยายญาณอินทริโยปริยติญาณยายมกปาฏิหารยายาิยญาณและสัพพัญยุตยญาณมหากรุณาสมาปฏิญาณและอนาวรณญาณจัดเป็นอาสาธรณญาณหกประการนี้ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาต่อจากนั้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่พระพุทธเจา้าทรงพิจารณาแล้วตลอดเจ็ดสัปดาและสถานที่อันประเสริฐที่พรมทูลเชิญแสดงธรรมข้าพเจ้าขอบูชาสถ า, สถานที่แสดงธรรมจักกะปะวัตนสูตรในป่าอิติปัตนะมฤดทายวันและสถานที่อันเป็นที่ประทับอยู่ในเวรุวานารามต่อจากนั้น ต่อแต่นั้นพระเชตวันอันหน้ารื่นรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ประทับอยู่นานและสถานที่แสดงยมกปาฏิหารที่ไม่ทั่วไปกับพระสาวกเหล่าอื่นสถานที่แสดงพระอภิธรรมที่ควงไม้ปารินชาติและสถานที่ที่เสด็จลงมาจากเทวโลกที่ประตูเมืองสังกัตสะต่อแต่นั้นสถานที่ที่แสดงมหาสมยสูตรในป่าหิมพาน สถานที่ดังที่กล่าวมาเหล่านี้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาข้าพเจ้าขอบูชาพระไตรปิฎกที่รวบรวมพระธรม 8, 4, ร, ะธรมขันธ์แปดหมืี่พันพระธรรมขันธ์ด้วยวิธีตามกล่าวข้าพเจ้าขอนอบน้อมสถานที่ระหว่างไม้สาระทั้งคู่ของหมู่กษัตริย์มัลละทั้งหลายแห่งกรุงโกศินาราอันเป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงสลพระชนมายุสังขาร แต่พยามาณพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญกิจที่ทรงกระทำแล้วตั้งแต่ตั้งความปรารถนาทั้งหมดสําเร็จแล้วโดยไม่เหลือทรงเป็นผู้สิ้นอาสวะกิเลสปรินิพพานแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าผู้คงที่ผู้ทรงทํากิจเสร็จแล้วปรินิพพานไปอย่างนี้พระมหากรุณาคุณทั้งหลายยังคงอยู่นานมิได้ดับไปแม้สักน้อยธรรมและวินัยที่เราแสดงไว้ดีแล้ว และพระธาตุอันเกิดจากสรีระจะอยู่เป็นพระศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อเราล่วงรับไปอัปราชิตะบัลลังก์และโพเพลกอันสูงสุดจะอยู่เป็นศาสดาเมื่อเราร่วงรับไปพระมหามุนีอนุญาตไว้ดังนี้เราอนุญาตให้ตั้งพระธาตุพระโพเพลกที่ควรบูชาและหนทางแห่งพระนิพพานไว้ในฐานะแห่งเราเพื่อให้สาเร็จประโยชน์แก่เธอทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแลผู้เรียนพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นตามที่เป็นจริงแสดงว่าเขาเป็นผู้รู้แล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาพระาธาตุของพระชินเจ้าขนาดเท่าเมล็ดพันผักกาดที่แผ่ไปในจักรวาลอย่างไม่เหลือข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาโพเพิกท่านปวงที่นำสืบสืบกันมาแล้ว จากมหาโพธิพฤกต้นไม้แห่งชัยชนะข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาบริโภคเจดีทั้งปวงมีบาทนาจีวรเป็นต้นที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้ถอยแล้วไม่ว่าสถานที่ใดๆซึ่งพระผู้มีพระภาคบัรทมประทับนั่งหรือเสด็จจงกรมหรือประทับรอยพระบาทไว้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชา ข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาพระปฏิมาทั้งหมดที่เขาให้ช่างสร้างไว้เพื่อให้หมู่ชนที่ไม่รู้จักพระพุทธเจ้ารู้ว่าพระพุทธเจ้ามีรูปอย่างนี้ด้วยประการฉนี้ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและแม้พระสังพรฆเจ้าที่ไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าด้วยสิ่งของทั้งหลายทั้งปวงในจั ก, กรวาล การภาน า, นาการบูชาพระพุทธเจ้าในคำภีชินาลังการะที่ให้ความเพลิดเพลินแก่สาธุชนจบแล้วด้วยประการชนีคาถาแสดงความปรารถนาด้วยบุญทั้งหลายด้วยการบูชาทั้งหลายและด้วยความสำรวมทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในอัตภาพนี้และในอัตภาพก่อนขอให้ข้าพเจ้าพึงเป็นผู้ที่น่ารักในทุกๆุก ศรัทธาหิริโอตตะปความเป็นผู้หูสูรความบากบันสติสมาธิและปัญญาอันเป็นส่วนแห่งการตัดรู้เปรียบดังสายฟ้าจงสำเร็จแก่ข้าพเจ้าจนกว่าจะ บ, บรรลุพระโพธิญาณข้าพเจ้าพึงละราคะโทสะโมหะทิฏฐิมานะและวิจิติชฌาพึงเป็นผู้ละเด็ดขาดซึ่งมนทินคือความตรนีและความริษยา เป็นคนไม่ฟุ้งเฟอ้อไม่หวั่นไหวข้าพเจ้าพึงเป็นผู้ที่ใครใครขมเหงไม่ได้พึงมีโภคะพึงเป็นผู้ไม่พร่องด้วยโภกรทรัพทั้งหลายที่ได้ให้ไปแล้วโภกระทรัพและร่างกายที่ข้าพเจ้าได้แล้วพึงมีเพื่ออุปการะแก่ผู้อื่นแน่นอนข้าพเจ้าพึงเลี้ยงดูมารดาบิดาโดยชอบธรรมเป็นผู้นอบน้อมต่อผู้เจริญพึงมีอุปการะมากตามหน้าที่ และพึงทำความเจริญกับประโยชน์ให้แก่ญาติมิตรพร้อมทั้งผู้ร่วมเชื้อสายทั้งหลายของตนข้าพเจ้าพึงได้เข้าเฝ้าพระนาถเจ้าพระนามว่าเมตไตรได้บูชาเฉพาะพระอัตภาพของพระเมตไตรนั้นพึงได้รับคำพยากรณ์ที่แน่นอนว่าผู้นี้จกเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตข้าพเจ้าพึงเป็นผู้อันมวทินอะไรอะไรในโลกทั้งหลายไม่แปกเปื้อน ยินดีในทานดำรงมั่นในศีลอันเป็นคุณความดีทั้งหลายมีต่วนในการออกบวชได้ญาณอันประเสริฐเพียบพร้อมด้วยเรี่ยวแรงกำลังถึงแม้ว่าข้าพเจ้าถูกตัดศีรษะตัดมือและเท้ า, แ ล, าและถูกเชือดเนื้ออยู่ข้าพเจ้าพึ่งมีพงมีความอดทนพึ่งตั้งอยู่ในสัจจาทิศฐานเพื่อที่จะกระทำต่อไปและเป็นผู้ประกอบด้วยเมตตาอุเบกขา ข้าพเจ้าจะทำการบริจาคใหญ่ห้าประการอันเป็นหนทางแห่งโพธิญาณมิให้ผิดพลาดจะตัดกิเลส ท, ทั้งหลายแล้วเป็นผู้ชนะมารห้าจำพวกได้จกเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตคาถาแสดงความปรารถนาจบแล้วคาถาแสดงคำลงท้ายเมื่อพระพุทธเจ้าผู้คงที่ทรงกระทากิจเสร็จแล้วปริมิพานแล้วณนะระหว่างไม้สาระทั้งคู่ ของหมู่มันลกกั์ด้วยประการชนิในครั้งนั้นล่วงไปได้หนึ่งพันเจ็ดร้อยปีที่รลังกาทวีณนะโรหะชนบทได้มีผู้เกิดในวงที่บริสุทธิ์มีเกียรต์แผ่ไปทั่วผู้นั้นมีชื่อว่าพุทธรักฐฐิตเป็นอาจารย์ผู้สอนหมู่พิกตุมีความรู้ในพระอภิธรรมดุดแรงพายุในท้องฟ้าได้แต่งคำพีชินารังการะพันนาคุณของพระชินเจา้า ผู้มีกำลังพิชิตมาด้วยความรู้ดังดาบที่คมยิ่งขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายจงรับเอาคำพีชินาลังการอันไพเราะจากท่านผู้ระลึก ถ, ถึงพระคุณอันประมาทม่ได้ของพระมูนีพระองค์นั้นคำพีนี้ได้รับการอภิเสกจากหมู่บัณฑิตผู้ประเสริฐในแคว้นโจริยะตัมพระในลังกาทวีป เป็นคำพีที่หมู่ผู้มีวิจารณญาณกำหนดด้วยดีแล้วใครๆไม่พึงสงสัยคำพีนี้คำพีนี้เป็นบทร้อยกลองประมาณยี่สิบแปดพานวาลเป็นคำพีที่พระพุทธรักษิตาจารย์ผู้องค์อาจผู้อยู่ในแวดวงแห่งพระศาสนาที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นผู้มีเกียรติและสิริต่างๆรวบรวมไว้ท่านทั้งหลาย เมื่อระลึกถึงธรรมอันเป็นกําลังบันเทาการมราคะตลอดกาลและผลที่บันเทาการมราคะตลอดกาลจงละมนทินของจิตตลอดกาลคาถาแสดงคําลงท้ายจบแล้วการพรรณนาคําทีชินาลังการจบแล้วสาธุสาธุสาธุด้วย อ, อ น, นิสงส์ของการที่ท่านทั้งหลายได้ฟังพระธรรมก็คือใน พระพุทธคุณในคัมภีร์ชินาลังการะนี้ด้วยอันใหสงในการอ่านพระพุทธคุณในคัมภีร์ชินาลังการะฎีการนี้จงเป็นพระวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยที่มีกำลังให้ข้าพเจา้าและให้ท่านทั้งหลายได้เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานได้อบรมไตรสิกขาเพาื่อบรรลุอริยสัจธรรมตรัสรู้อริยสัจสี่ทำให้แจ้งโล ก, กุตรธรรมในโลกปัจจุบันนี้ด้วยเทินสาธุสาธุ สาธุ